การสบายอันนี้มีเพื่อนเพื่อนต่างชาติมาฟังหนึ่งฟังเข้าใจหรือเปล่ามั น, นใครเป็นล่านเพื่อนต่างชาติมานั่งฟังเดิมมาเลยลองทำเมา่ัว่างทำแต่ใครมีความสมาือภาษาแปลมาล้ า, านคะแนนภาษาแปลเขาได้ตั้งจีนเด็ก ตั้งใจฟังนิดนึงก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะวันนี้คุณยาเนี่ยมาเดือนหน้าน่ะเดือนมันมาค่ะวันประก า, าศศาสนาวันตั้งประกาศโดยรงการในวันมาค่ะจริงๆมาค่ะแปเาเดือนสามที่บนเลกขกัามมาะกัน ในธรรมะความหมายจริงมันไม่ได้แปลว่าบวชชีบวชพรามอย่างที่เราเข้าใจความหมายเขาในธรรมะไม่ได้การบวชเป็นราชาสัตว์อย่างครูทีเจ้าหรือมารกษะเราองค์บวชมาเลียว่ามาทู่เดยสถวนภาษาเราง่ายๆในธรรมะถ้าภาษาพูดภาษาเราง่ายๆกันดับหรืออกจากกามมีความหมายนะ ไม่ใช่แค่คนหัวลรงขาวผมขาวแล้วก็เป็นชีพินขามอย่างนี้เราใจคนหมายกันดํา ร, ริอออกจากการทุกเรื่องเออเรื่องในกรรมาการบำเพ็ญอย่างนี้ทําอย่างนี้เราเติมบารมีเข้าไปเป็นในกรรมะบารมีการบำเพ็ญเพื่อให้เต็มด้านบนในกรรมะเงริยม รับสิ่งแปดรับสิ่แปดแต่พูดถึงอะพรหมจริยาไม่ใชการาเลียงสุนิาชา aja ถ้าถือการเลียงสุนิชาจาเนี่ยู่นจะ่าสิ่นห้าจะมีผู้พวตัวเมียกันได้แต่อภรามจริยาหรือว่าเนคขมานเราไม่มมจุงเกี่ยวกับเรื่องของการมคุณเพราะว่าจุดประสรงค์หรือความหมายของเราคือต้องการให้เราออกจากการม ก็คือกรรมบุคคลนั่นแหละรูปเสินเป็นรูปธรรมะกรรมบุคคลอันนี้เราฟังจนเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาดิ้งพื้นฟังกันจะเลยว่าไม่รู้จะอุบมาอุบมาอย่างไรฟังกันชินเลยพู้ดอย่างไงแต่ว่าอยากเปรียบเที่ยนให้เราฟังถ้า มันได้แค่พื้นๆหรือธรรมดาแล้วเราจะเปรียบเทียบของผู้นี้้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไรระระดับของเน ก, กัมมะคือใจนี่แหละพูดอย่างนี้วิจัยเราระดับของจิตของใจของเราเราจะเรียกว่าระดับเป็นอย่างไรเรียกว่าภูมิหรือว่าชั้นของจิต มันไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายๆนนเราจะมาเปรียบเทียบให้ผู้เราเห็นชัดเจนเรื่องภูมเรื่องชั้นวันนี้เกีดเรื่องของน้ำเป็นตัวหลักซึ่งก็คือหนึ่งในธาตุที่มีอยู่ในตัวและก็เป็นหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เราคือร่างกายวันไหนขาดน้ำไม่ได้ คือถ้าไม่ดื่ม น, น้ำเลยหรือดื่ม น, น้ำร้อยก็จะมีผลต่อร่างกายมีผลต่อผิวพันดตงนั้นใครอยากผิวพรรณเ ป, ป็่งปั่งสดใสขับถ่ายสะดวกง่ายดื่ม น, น้ำให้สมดุลกับร่างกายร่างกายต้องดื่มน้ำเยอะที่นี่แหล่งของน้ำน้ำก็มีหลายระดับ น้ำผิวดินก็นน้ำที่เราเห็นนี่อันนี้อยู่บนผิวดินติดดินเช่นห้อยน้องของบึนน้ำฝนที่ตกเป็นเป็นในผิวดินเรียกว่าน้ำผิวดินน้ำทั่วไปถ้าจะให้ลึกไปกว่า น, นั้น่โบราณก็าโฆษลตาใครอยู่รอบนอกจะเข้าใจว่า แต่และหมู่บ้านเขาจะช่วยกันขุดเขาเรียกว่าน้ําบ่อก็คือบอ่อน้ํำนึงภาษาอิสานเรียกวน้ําสร้างคือน้ํำจะเกิดจากการสร้างไม่เด่นค่ะก็ขุดลงอาจจะสิบเมตรสิบกว่าเมตรแล้วแต่ระดับก็มีน้ําขึ้นมาแล้วก็ทางบ้านก็ดื่มกินคือทั้งบริโภคหรือใช้สอยแล้วก็ดื่มกินเรียกว่าอบปโภคบริโภค ใช้สอยแล้วก็เด็กกินทางอาบใชสไัมก่อนแหล่งอาบไม่มีไปอาบน้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อาบแล้วก็หาบรือหามกันกลับบ้านเป็นกิโลสองกิโลอ น, นี้คือพาพในชนบทโบราณซึ่งปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีอันนี้คือแหล่งที่เรียก ว, ว่าเป็นธรรมชาติแต่คนสร้างขึ้นมาบ้านเราก็มีน้ำบอ่อแปะ เกิดจากการค้นขุดเราก็ใช้น้ําอันนี้ปริอยโปะใช้สอยทั้งกินทั้งดืง่มทั้งใช้สอยพูดยังไงน้ําบ่อแปะปัจจุ บ, บันก็ยังอยู่ที่ตึกสติธรรมรูสอนหนึ่งเรายัางยังเก็บไว้เป็นอนุสร์อยู่เพราะเลี่ยงกันมายาวน้ำคนที่คุดที่เจอตแะแเป็ตก็เลยชื่อว่าน้ําบ่อแปรทาเป็นพุทธสาอันนี้น้ำประเพณีสอน้ําประเพณีสามคือ อันนี้ต้องจอเจาะท่อมันลึกลึกไปกว่า น, นั้นอย่างน้ำที่เราตื่มทุกวันันประมาณสี่สิบเมตรแต่ก็ไม่ใช่น้ำบาดาลก็ถือเป็นน้ำผิวดินอยู่แต่มันลึกกว่าปกติจริงๆล้ามันต้องเป็นน้ำบาดาลถ้าเจาะลึกเข้าไปเกินนั่นี้จะเป็นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือ ว, ว่าน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน มันนุใสธรรมชาติใช้ได้ตลอดปีแล้วกันทำไมถึองเรียวกว่าน้ําถ้าน้ําเนี่ยมันดูดกับใจของพวกเราบ่อแล้วกับน้ำสองคาบอ่อเก็ดจากการขุดแล้วก็เจอน้ำแล้กวก็บ่อน้ำดว้วยน้ำบอ่อและใจของเราก็เหมือนกันเรียกว่าคล้ายกันก็คื อ, คอ ใจของเราก็คือมันมีน้ําใจที่เป็นแบบพื้นดินธรรมด า, น, าดดน้ำพื้นๆน้ำพื้นๆธรรมดาของเราก็คือท่าหันนี่แหละคือการให้กันแบ่งปันกันแม่นกันซึ่งมันจังเป็นต้องมีนี่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเหมือนน้าทั่วไปหุ่ยหน้องคองบึงกะจกประมาณธรรมดาถ้าไม่มีน้ําอันนี้เป็นเบื้องต้นเราก็ อ, อยู่ระดาน ก็แปลว่าความสําคัญคือถ้าผู้เราอยู่ด้วยกันนั้นไม่มีน้ําใจให้กันไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้คือพื้นฐานเรียกว่าสามันคือทั่วไปทึ่เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าลึกไปกว่า น, นั้นนะเราต้องทําริงฉันมีบอกเป็นน้าบอกคือต้องขุดตือ้อเข้าไปใจของเรากระมอนกันถ้าจใจเราไม่กุดลึกไปกว่า น, นั้น มันก็จะไม่ได้อะไรมันก็ได้แต่พื้ น, พ, นพื้นชีวิตของเราก็ได้แค่นี้แหละปล่วยไงการบ่งชีวิตก็ได้แค่นี้แต่ของพื้นพื้นของธรรมดาถ้าจะได้ของอลึกไปกว่า น, นั้นต้องขุดคนที่มีศีลกันกตึกกันต้นแต่ทําทั่วไปถามว่าทั่วไปเขากรับแค่ทานะฉะนั้นเราก็จะมุ่งอธิษฐานเป็นส่วนใหญ่มุ่งปฏิทาน สินนี่มันก็จะน้อยลงแปลว่าน้ำ บ, บอ่อเนะี่ยมันจะมีน้อยเหมือนวัดเราก็มีไม่กี่บอ่อเองแต่เป็นหมู่บ้านก็มีไม่กี่บอ่อเป็นที่ก็สองบอ่อเงินได์ออกตกใไปที่ไหนไปเที่แนล่งสูงมากกับบอ่อเดียวเป็นแหล่งเดียวเน้นลึกลงไปนะ่คือสินเป็นแหล่งรวมแต่ไป็นลึกไปกว่าศินอีกถ้าจะเป็นน้ําบาดาลคือสมาธิ นี่คือระดับของจิตหรือว่าใจของพวกนรานผู้ใจทั่วไปก็ได้แค่ทานจบกันละเหมือนชาวบ้านทั่วไปอัลราไม่ได้ว่ากันเขาก็มีแค่ทานแต่ก็ยังดีนะคือยังรู้อยักให้ทานอยู่แต่ถ้าทานก็ไม่มีการให้ในโอแสดงคน้นผิดปกติเลยมันไม่ธรรมดาคือไม่ได้ทั่วไปไม่มีน้าใจใหก้กันแล้กนันผิดปกติ ไม่มีการส่ข้อสข้อซึ่งกันและกันความผูกพันก็ไม่มีความเป็นมิตรก็ไม่มี ก, มกัลยาณมิตรก็ไม่เกิดเพราะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือส่วนที่ลึกที่สุดโดยน้ำมาดาลคือตายลงไปนี่คือสมาธิที่เราฝึกอยู่เนะี่ยฝึกให้ใจข่าเราลงลึกที่สุด ความ้ใจของเรานะ่ยขุดน้ํำจะเป็นใสบริสุทธิ์จะเป็นน้ําบาดาล น, น้ำธรรมดาเราก็มีอยูแล้วหมายก็ว่าทั่วๆไปคือทานเราทํากันอยู่้วศีลก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่มันต้องสร้างมันต้องขุดมันต้องสร้างแต่มันก็ยังไม่ลึกพอหมายถึงระดับของจิตมันยังไม่ลึกพอถ้าเป็นเทียบกับสูงก็ยังไม่สูงพอแต่ถ้าเป็นเกิดจากการสมาธิ ว่าจะเป็นคณิกะ ก, ก็ตามอุปจาระก็ตามอัปปนาก็ตามซึ่งลึกที่สุดอัปปนาสติกลึกสุดที่ลึกที่สุดเพราะฉะนั้นคืเราเพียรพยายามหรือปฏิบัติทุกวันก็คืออันนี้แหละก็ะคือสมาธิเพราะนั้นสิ่งสมาธิจนเกิด ป, ปัญญาเป็นประการสุดท้ายเพราะเราทําทุกวันที่เราฝึกจุวันเป็นการฝึกที่ยากที่สุด เรก็จ okay, ึงส่วนลึกของจิตใจจิตใ จ, จของมนุษย์เก็เป็นอย่างนี้มันก็สภาวะจิตโดยสภาวะจิตนี้คือจิตที่ทั่วไปที่เกิดสับนึกหรือไม่สํานึกก็าตามเป็นชอบชั่วดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าสามัญสํานึกอันนี้คือทั่วไปนะเหมือนกับน้ําผิวดินหุ่นน้องคลองบึงมองยังไงก็เห็นเป็นแหล่งธรรมชาติที่เห็นง่ายที่สดุด อันนี้ทั่วไปเรียกว่าสามัญจึงเรียกว่าสามัญแต่เอาทั่วไปเราลึกไปกว่านั้นจิตของเราจิตตายสัมฤทธิเห็นไหมมันยังมีจิตได้สัมฤทธอยู่คือมันลึกไปกว่านั้นในความหมายเหมือนสมาธิเนี่แหละเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราไม่สมาธิทาสมาธิไม่รู้จักสมาธิไม่มีไม่รู้จักคุณค่าของสมาธินี่ไม่มีทางที่เราจะเห็นส่วนที่เป็นลึกที่สุดของจิตใจของเราได้ มาสมาี่จะจแก้ไขได้จิตใจสำนึกจิตอีกสิ้นหนึ่งก็คือจิตเหนือสํานึกอันนี้ต้องฝึกคําว่าฝึกคือต้องฝืนฝืนธรรมชาติเหมือนน้ําบอลนมันไม่ใช่มันจะมีก็โ ด, ดยเป็นธรรมชาติเราต้องฝึกคือต้องขุดมันขึ้นมาขุดมันลงไปเก่าลึกเอาตื้นขนาดไหนแล้วแต่จนเจอนะ้ําปลีอยอย่ยนอะไรจนใช้ได้ก็เป็นภาษาเราจนใช้ได้ ถ้าคุดแล้วไม่เจอน้ําคือไม่ได้อะไรขุดจนเจอน้ํานั่งสมาธิจนได้ผลแห่งสมาธิจึงจะใช้ได้ส่วนเราไม่เป็นในแม่ไหนไมาแต่ เ, เปนลึกหนาบางอะไรตรงไหนก็ยังไม่รู้แต่ที่จริงจิตที่เป็นเนื้อสํานักนี้เรารยังไปไม่ถึงแต่กว่าจาจรย์ท่านอีกครบตาองทอย่างปัจจุบันย้อนหลังไป หลายสิบปีห้าสิบหก ส, สิบปีแล้วมีผลงานวิจัยเรื่องจิตใต้สํานึกในภาคของวิชาจิตวิทยาก็เรียนเรื่องจิตพูดง่ายเรื่องจิตเรื่องสมองว่าสมองทำงานอยังไงจิตทํางานอย่างไรทางกองวอร์กอพบพานก็าเจอเรียนออกวานี้ปรากฏว่าจิตใต้สํานึกเนื้อถ้าไม่เป็นสมาธิคือยังไม่มีสมบูรไม่สมาธิแก้ไขรได้ เพราะนั้นคนที่จะแก้ไขจิตเหล่านี้ได้จิตต้องเป็นสมาธิอย่างน้อยที่สุดก็คือครื่งหลับครื่องตื่นคือคณิกะแต่ต้องมีสตินะแต่เพระเอินคณิกะมันไม่มีสติสติมันขาดในขณะที่จิตเราเป็นคณิกะสมาธิแต่เอาแค่นิดเดียวเองแค่เราสับประวุ่วงเหงาหานอนตนื่นขึ้นมามันยังสดชื่นเลยเนไหมเพราะจิตมันได้ทำไม่ใช่คณิกะนะเพื่ อ, อปจาระราสมาธิลึกเข้าไป ตัวนี้แหละตัวที่มันแก้กิจแก้เต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้เป็นแก้กรรมกันระไรแต่แก้ตรงนี้ไแยกคนอื่นแห้เราเราเท่านั้นที่แก้ตัวเราเองละไม่คือวิทยาศาสตร์เป็นงานวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัย 6-10 ปีมาแล้วเป็นผลงานของฝรั่งเขาใครสนใจก็ไปอ่านกันดูเป็นเรื่องเป็นราวนะสรุปก็คือจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ครูใหญ่เห็นมา 2,000 กว่าปีมาแล้วเห็น มันเป็นวิทยาศาสตร์โฆษณาเราจะเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรพิสูจน์ได้ดเราจึงเรียก ว, วิทยาศาสตร์ถ้าพิสูจน์ไมได้ครับไมาเรียกวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเขาอันนี้คือจิตที่มันลึกที่สุดต่างกับสิ่งที่เราทำอยู่ฉะนั้นถ้าจิตของเรายังอยู่ใ น, นระดับธรรมดาพูดอย่างนี้ก็อยาบผิวดินพืนพ้นธรรมดามันจะไปเกิดปัญญาได้อย่างไร ก็บรรพดามันตัวไปใคยๆก็เป็นห้วยหนองกองเบืงเหตุ ป, ปรรุ๊บก็รู้แต่ลึกเข้าไปนะไมีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่มันยากอยากออเพราะอะไเพราะว่าจะต้องขุดซึ่งยังไม่รู้่าแต่ละคนจะต้องขุดอีกเท่าไหร่เพื่อเยื้อเข้าไปจุด เ, เจอน้ําบริสุทธิ์คือน้ําใจที่เป็นบริสุทธิ์ตอนนั้นที่เราเียนายามทําทุกวันก็คือตรงนี้ ส่วนศิลป์หรือว่าฐานซึ่งเป็นทั่วทั่วไปนะใครๆก็ทําได้หลายคนอาจจะบอกว่าทําฐานมาเยอะแล้วผู้ใดจะป่าเลยนะครับก็ใช่ก็แปลว่าแค่หุ่นน้องคลองบึงธรรมดาเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วมันก็ไม่แปลกเป็นธรรมดาเป็นเรื่องทั่วไปถาน่าถ้าจะบอกว่าศิลฉั้ น, นทํามาเยอะแล้วใครกล้าผู้ใ ด, ดเต็มคํา ไม่มีสมาธิท่านปฏิบัติฉันได้ผลมานานแล้วใครฆ่าพู้ได้ไม่มีในเมืม่อจิตไม่เป็นสมาธิก็จิตมันลึกพอก็ไม่สมาที่จะรู้แจ้งจริ ง, ร ง, รงตามความเป็นจริงเพราะจิตมันลึกกว่าที่คนทั่วๆไปจะเข้าใจได้อันนี้คือหลักปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวานาะ ตรงนั้นการฟังก็ฟังจนฟังจนชินมารู้จักเทียบเียมยังไงดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพทั้งสามภาพที่ออกวมืแ่อบบเรา พ, พูดจำเป็นจะพูดภาพทั้งสามภาพทุกครั้งมันจะเป็นรูปธรรมเป็นนามารรมเพื่อเห็นชัดเจนอยากน้ําบ่ภาพแรกก็อยากให้มองทั่วไปคือมาทั่วไปหรือภาพหุ่นน้องคลองบึงที่เราเห็นที่เราเป็นแหล่งน้ํา คิดธรรมดาไปที่ไหนถ้าก็เห็นไปที่ไหนเราก็เจอเราก็อาศัยแค่นี้ยอทำมาหากินทําเกษตรทําอะไรก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลึกไปกว่า น, นั้นเราก็มาให้รู้ถ้าจะรู้ก็ต้องขดนะุดถ้าใครไปขุดก็ไม่เห็นนั่นคือสิ่งคือสมาธิคือปัญญามันไะม่เกิดแต่นี้จิตของเรารู้ใจของเราถ้าเราไม่ขุดลงไปลึกไปกว่า น, นี้ แล้วกเขาไปที่เป็นธรมธรมดาธรรมดาเราจึงเรียกสิ่งเหล่าว่าภูมิภูมิของจิตชั้นของจิตเหมือนชั้นของดินเหมือนชั้นของไม้ไม้ก็มีชั้นเปลือกกระพีแล้วก็แก่นว่าต้นไม้เวลาอายุเยอะๆก็จะเป็นวงเขาทับที่วงวงรอบต้นไม้ตัดออกมาวงคือใจมันอยู่วงนั้นวงเยอะๆก็แสดงอายุเยอะอย่างไม้แก่นขามเนี่ย จนข้างในจนดำปกติมันไม่ได้มีทุกต้นถ้าวันไหนต้นต้นเยอะตัวในะมันเรียกว่าใจมันมันจะดํามันจะมีค่าตรงนั้นก็คือมีค่าเพราะฉะนั้นในตัวเราตัวที่มีค่าที่สุดคือใจไม่ได้เกี่ยวกับอุตสาจกโวข้างนอกเนี่ยที่เราหลงกันเรีกก่องกรรมมาหลงเพราะฉะนั้นอยากให้เราเข้าใจภาพรวมจริงก็คือ คำวันนี้คำมาคือการดรียออกจากการแท้ที่จริงก็คือต้องการให้เราเข้าใจวรูปสิ่งที่ราปวทว่าทำเราข้างนอกกันเนี่ยมันแค่ของพื้นตเราจะไม่เข้าใจเรายัางฝึกกันไม่ได้เรายัางละไม่ได้เราจะปล่อยไม่ได้ไไดก็ต้องขออภัยเอานามุ่งเช้ามีท่านสภาพบุรุษมาถามธรรมะท่บอกว่าทำอย่างไรผมแตไม่ยึดถือเรื่องลูกเรื่องเมีย มันดูเหมือนเป็นคำถามไม่รู้ว่าจะเรียกว่าฉลาดหรืโง่ก็ไม่รู้แต่เป็นคำถามที่น่าสงสารเป็นคำถามที่ไม่รู้ทําไมถามว่าทําทไมทําไมมันก็คือคําถามนั่นแหละแต่มันไม่มีคําตอบและพยายามหาแต่คิดว่าปัญหาคืออยู่ที่คนอื่นพูดง่ายๆอย่างนี้ปัญหาไม่อยู่ที่ตัวเองคิดว่าทําไมถึงจะไม่ยิบ ถือเขามันเกี่ยวไหมเขามานั่งบนบ่าตลอดไหมนั่งบนหัวตลอดไหมเราก็อยู่คนเดียวเดินคนเดียวเราเนี่ยไปยึดเขาต่างหากเราไม่รู้ทําไมถึงปล่อยเขาได้เอาปล่อยเขาทําไมเขาก็อยู่ธรรมชาติของเขาก่จะเป็นลูกเป็นเมียเขาเขาก็มีครอบมีครัวมีลูกมีพ่อมีแม่ต่างคนต่างมาเราไม่นึกถึงที่มา เพราะนั้นการพิจารณาวิจัยมันลึกแต่ให้พิจารณาอย่างนี้แหละคือทุกอย่างมีที่มาของเขามีที่อยู่ขเขามีที่ไปขเขาเออเกิดขึ้นมาอยู่ล้วดับไปะแต่ถ้าจิตมันไปลึกขนาดนั้นมันนึกไม่ออกพยายามที่จะมองหากลายเป็นว่าปัญหาอยู่ที่คนอื่นไม่ใช่ตัวเองนะั่นนะคิดว่าคนหนึ่งเป็นปัญหาไม่คิดว่าตัวเองเป็นปัญหาจริงก็ตัวเองนี่คือตัวปัญหา แต่เมื่อเราตกลงปลงใจกันแล้วสองคนเมื่อก่อนทําไมบอกว่ารักกันชอบกันพอตอนนี้บอกว่ากไก่เป็น ป, ปัญหาไปแล้วมันคืออะไรจะให้คำตอบว่าอย่างนั้นจะให้คำตอบว่าคุณก็ไปหาใหม่สิจะไดไม่เป็นสาระอย่างนั้นเหรอแล้วหาใหม่ถ้าเกิด อ, อีกก็จะตอบตอบอย่างนี้อีกเลยมันไม่จบนี่เขาเรียกโทษของมกามนะครับต้องมองอีกอันหนึ่ง หลวงพ่อูดอยู่เสมอว่าคนที่ไม่พูดมาถามแต่ว่าคือคนที่มาให้ธรรมะกันเลยคือเหมือนกขาเขาคขาแนะธรรมเป็นหัวข้อธรรมขึ้นมาเราสามารถจะคิดต่อได้ในเวลานั้นเป็นธรรมะขบคิดได้เป็นธรรมะได้แล้วก็ให้จบลงหรือว่าโอ้เราโชคดีนะสรุปแล้วเราโชคดีเราคือตัวเองโชคดีโชคดีตัวไหนโชคดีที่บวชตั้งแต่เล็กแต่น้อยสิบก้าวก็บวชแล้ว เราจะไม่รู้ปัญหากองหล่นีเขามาโผกพันทั้งโผกทั้งพันแล้วเป็นภาระแล้เป็นทุกขะติดตามมาอีกหลายสิบปีหลงปู่ที่อินนะี่บอกน้ำพึ่งจุดเดียวหลงปู่ถ้าพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้พูดหยาบไปขนาดนั้นเราเกิดจากน้ำพึ่งจุดเดียวแท้ๆความสุขที่เดียวแต่ความทุกข์ติดตามมาสิปียี่สิบปี เป็นภาระเป็นทุระแต่เราไม่คิดว่าเป็นทุระไม่คิดวาเป็นภาร ะ, าระถ้ามองในธรรมมันก็จะเป็นมองลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นภาพรวมคาจะมาเป็นรวมโอถ้าจิตเราเนี่ยถ้ามองธรรมดาคุณที่ไปเขาก็จะมองกันอย่างนั้นสุดท้ายก็จะหาทางออกว่าจะต้องออกยังไนแต่ก็ยังดีดีตรงที่ว่ายังพยายามที่จะหาทางออก เพราะนั้นทางออกที่ถูกต้องในทางพุทธศาสน์ของเราคือบวชถ้าพวกเร า, า, ง, าง่ายๆไม่ได้แปลว่าบวชพระบนชเนรบทชชีบวชอย่างเดียวคำว่าบวชอย่างเดียวนี่นคือทางออกออกจากอะไรออกจากกามประสาษ า, า, ง, าง่ายๆเพราะนั้นพระสองฆ์เนี่ยเรานักบวชทั้งหลายเลยเขาจะไม่ให้อยู่เกี่ยวเรื่องกามเพราะนั้นวงจรความคิดมันไม่น่าจะมีกามเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะมีกามเข้ามาเกี่ยวข้องคือรูปเสียงที่เราบวชเอาค่า น่าไม่ใช่รักบวชแล้วมันผิดวัตถุประสงค์ของนักบวชก็จะต้องระมัดระวังสํารวมพระอุปชาบอกตั้งแต่วันแรกแล้วในการบวชเือผมคนเแรกวันหลังที่อยู่เป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่เป็นที่รวมองค์กรสกภัวหลวมณนะเป็นก่ออสุภะนะอันนี้คือภายนอกภายในก็ไปอีกเท่าที่เห็นได้ตับไตเสบพุงสารพัดอวัยวะภายใน อุจระปัสสะยังไม่ต้องพูดถึงมันเต็มไปได้วยความไม่สะอาดประกานต่างๆอันนี้นจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตมันลึกแล้วสามาธถิถ ย, ยกขึ้นมาพิ่เจ้านี่เพื่อให้เกิดปัญญาจึงเรียกว่าิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าทั้งรู้และก็เห็นทั้งเห็นและก็รู้เรียกว่าิปัสสนาไม่ใช่เห็นอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้คือไม่มีความเข้าใจเมื่อเราเห็นต้นไม้สายด่างภูเขาล่ากามันก็เห็นด้วยสายตาธรรมดา แต่เราไม่สามารถที่จะเห็นในความเป็นมาเป็นไปเป็นอยู่ของมันชิ้นต้นไม้เนี่ยมันเป็นมาได้ยังไงต้นมะม่วงต้นเดียวนะเราจะมองเป็นเป็นต้นมะม่วงคนนี้มาจากไหนมันจากเมล็ดแล้วที่เป็นเป็นกล้ากลาเป็นต้นจนพิดออกผลเป็นจบอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดแต่เรามอกไปเถอะต้นมะม่วงก็คือจบละอันนี้คือภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเราในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติจะว่านักบวชทักปฏิบัติก็ตามทั้ง เรายัางมองภาพรวมทีนี้ไม่ได้คือไม่จบเร็วพุดยังไงมันก็จะเป็นปัญหาลุกลามไปสุดท้ายปัญหาอยายกีกก็ตามอย่างโชคดีตรงที่ว่าถ้าเป็นนักโบวชนักปึกนักขัตตนะปฏิบัติอย่างเข้าใจว่าเออปัญหาทั้งหมดเกิดจากตัวเราเนาะถ้าเชื่อว่าอย่างี้ไม่เกี่ยวกัคนอื่นเลยขุดตัวเองเท่านั้นแหละไปหาเรื่องเองหาภาระหาทุระเอง พุทธเจ้าก็บอกแล้วทางออกก็ทางนี้แม้พระองค์ก็ทําให้เป็นตัวอย่างหลังจากมีครอบครัวแล้วเรียนหนังสือพุทธเจ้าไม่ใช่คนไม่เรียนหนังสือทํางานคือมีที่การงานทั้งทางสังคมเดี่ยวโลกมีครอบปัจจัยสี่มีครอบทุกอย่างแต่พระองค์หลังพระเสียงเหล่านั้นไปอยู่ป่ า, าศัยผ้าเทาที่นี้อยู่อาศัยอาหารถ้าที่ฉบานเขา ให้อะไรก็กินไปอย่างนั้นพระราชมมากษัตริย์นะนี่คือการลดมานะทิฏฐิจากฟ้าสู่ดินทันทีคนทั่วไปทําไม่ได้เนี้กือลดมานะทิฏฐิตัวนี้ไม่ได้ลดอีกโก้ตัวนี้ไม่ได้เรายังติดตัวนี้อยู่แต่ผู้ชาทําได้ผมที่ไม่อยู่ก็ถือว่าสมัยนั้นพระสกัยโกนคือว่าเป็นบุคคลที่ไม่รู้จะเปรียบเทียบ ย, ยังไงเขาไม่ครบ มีใครกบแต่พระเจ้าโกลทิ้งจัดออกโกดธทิ้งตั้งแต่วันแรกที่เอาปวดตัวอยากอาหารหลังก็เข้าป่าทันเราเพึงเอาพระเจ้าเนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นหลกักทุกเรื่องไม่จะเป็นเรื่องโรคหรือเรื่องธรรมเรือการศึกษาต้องบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาแต่ใครจะบอกว่ารังเกียเรื่องป ร, ริยัตนะิคิดผิดเลย ผู้เรียนยิ่งกว่าพวกเราการเรียนรู้วิชาสิพปวิชาศิลปะวอย่างยิ่งกว่าพวกเราพวกเราถือว่าเรียนน้อยน้อยมากๆากในขณะนั้นปริยัติไม่ต้องพูดถึงปฏิบัติปฏิเวทผู้เจ้าก็ทำให้ดูอย่างเพื่อเพื่านพื่อเพื่เพื่อเพื่อเพื้อเพื่อเพื่อเนืนอเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพอเพื่อเพื่อเพื่อเพืกอเพวางเพื่อเกื่อเพื่อเพื่อเพก่อกพืพ พิสูจน์พันสองรอยห้าสิบดุกส่งไปประกศาศศาสนาแม้พ่อเองก็ไปไม่ใช่ใช้คนอื่นทำได้ประกาศหลักการประกาศอุดมการเป้าหมายหลักการวิธีการทุกอย่างมันจะต้องทํำยังไงคุณจะไปเผยแผ่บอกอื่นก็จะไปอนุ ป, ประว่าโดยอนุ ป, ประคาตัวอย่ไปเข้าไปว่าร้ายคนนะอย่าไปทำร้ายกายด้วยกายกรดือ ด, ด้วยวาจากระ ด, ะดีษฐอย่าไปศียชีตกลไปพูดถึงความดีไปเผยแพร่าศาสนาธรรม เขาจะรับไม่รับคือเป็นเรื่องหนึ่งเป็นหน้าที่ของเราว่าหลักการชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาแนวทางหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่กคนรู้สึกจิตนาตาไหลพระพุทธเจ้าคิดได้อย่างไรราชกาลกษัตริย์คิดได้อย่างไรของคนเพราะนั้นสิ่งที่เรายังคิดไม่ได้ก็เพราะว่าระดับของจิตกลางของเราจะต้องเปลี่ยนที่ให้เราบางอย่างคือหนึ่ง ก็าอาจจะมุ่งไปแค่ทานอย่างเดียวไหมแค่คือพื้นๆธรรมดาทั่วไปเรียว่าสามัญอันนี้ธรรมดาไม่ใช่มันไม่ดีนั่นดีแต่มันธรรมดามันพื้นๆถ้าไปสินค้าก็ของธรรมดาไม่ใช่ของพรีเมียมไม่ใเกรดดีแต่้านลึกไปกว่านั้นเราต้องทําเองเราต้องปรุดเองเราต้องสร้างเช่รเรียกว่าน้ําสร้างน้ําบ่อน้อําบ่อก็แปลว่าต้องกด ต้องช่วยกันขุดมันถึงจะเจอน้ําเราได้ขุดไหมขุดบ่อยไหมถ้าไปขุดบอ่อยเมื่อไหร่มันจะเจอน้ำํำยิ่งแต่ไปเจอแหล่งน้ำํำมาเจอตาน้ํำยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าขุดอดนี้หน่อยเมตรสองเมตรมันจะไปเจอน้ําเลยนั่งสมาธิห้าทีสี่เปที 3, มันจะไปเจอน้ําเลยเนี่ยี่คือปัญหาแสดงว่าเรายัางไม่เจอน้ําไม่เจอแหล่งของน้ํยายังไม่ได้ของดี มันยังไม่ลึกพอแปลว่าสมาธิของเราระดับของยังไม่ลึกพอคือยังใช้ไม่ได้คือยังพื้นถ้าเป็นน้าก็เป็นน้ํารากนา้ำน้ําใต้ดินนิดหน่อยที่มันซึมจากน้ำฝน ล, ลงไปอาจจะหลับบนกระสู่ระดับล่างหน่อยแต่ก็ยังดีแต่จะให้ดีที่สุดคือนา้าข้างล่า ง, ง, า ง, ง น, าา น, าน้าบาดาลเป็นบริสุทธิ์อันนี้ใช้ได้ทั้งเือบริสุทธิ์สะอาด เพรทั้งบริโภคคือทั้งดื่มใช้สอยได้หมดแต่ถ้าหนับพื้นดินเนี่ยมันไม่ไดนะ้บางทีมันคุลขึ้นมาดื่มไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวปอติใช้ยังไม่ได้เลยก็มันคุลขึ้นมาเหมือนกันใจของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้ามันคุลมันมวัวขึ้นมาเมื่อไหร่เหมือนน้ำมันใช้ไม่ได้เลยถ้าโดนกวนเมื่อไหร่โดนกระทบเมื่อไหร่โดนปะทะเมื่อไหร่มันฟุ้งขึ้นมา ในขนาดนั้นมันจิตมันใช้ไม่ได้คือน้ําใจใช้ไม่ได้มันคุณมันมัวทํายังไงที่มันคุณมัวก็ทํำมาอยู่เฉยๆทำมาอยู่หนึ่งๆเขาว่าอยู่เฉยๆอยู่หนึ่งนั่นแหละคือสมาธิพออยู่หนึ่งๆเสร็จมันสงบพอไปสงบเสร็จมันก็จะลงเองคุนที่เรากระทบกระทั่งหรือเขย่ามันเองมันก็จะลงน้ําก็น้ําคุนก็ฝุนมันจะแยกกันละ น้ำมันก็จะใส่เปลว่าใจมันก็จะใส่กิเลสมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่กิเลสขณะนั้นมันสงบมันอยู่นิ่งๆวบคุมโดยสมาธินะเราจะแยกจะกันอ๋อน้ำก็คืออันนี้ส่วนกิเลสมันมันคุณมันมัวก็คืออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นถ้าใจเรามัวเราคุณเมื่อไหร่แสดงว่ามันผสมปนเปกันหมดมันใช้ไม่ได้กมันน้ำมันคุณก็จะให้มันสงบให้มันนิ่งให้มารู้อันนี้คือน้ำอันนี้คือกิเลส อันนี้คือใจอันนี้คือยินเลสที่อยู่ในใจอยู่ในจิตแต่ตอนนี้เราแยกไม่ออกเพราะว่าเรายัางไม่กดลึกพอมันยังใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้กนกนรารปฏิบัติธรรมต้องการใหร้เราเป็นอย่างนี้จนรู้แจ้งแห่งจริงหรือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอยากให้เรามองภาพรวมทั้งสามภาพอันนี้นคือคาถทั่วไปคือน้ำที่เป็นธรรมชาตินี่แหละที่มันเกิดเองเป็นเองหวยน้องคล้องบึงอันนี้คือน้ําประเภทหนึ่ง ปฏิบัติง่ายก็คืออันนี้คือศีลถ้าทั่วไปยังคือศีลนี่นนะแหละมัคือทานถ้าเป็นชาวบ้านคือทานแต่พระกคือศีลถ้าทั่วไปนะเพราะฉะนั้นพระเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาสอนพระเนี่าพจะมุ่งไปที่ศีลก่อนรวมถึงนักบวชด้วยนะก็จะเรียนศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเป็นชาวบ้านคารวะเดียร์ทั่วไปเขาจะมอกว่าเริ่มต้นทานศีลภาวนา ก็ะจะรับตนทีฐานก็คื อ, คอทั่วไปนั่นแหละแต่แต่ผ่านผ่านนักบวชเน่ะมันก็จะรับเซนทันทีเลยนะประธานไม่จําเป็นนะนักบวชนี่ยนี่คือความแตกต่าง เ, าเราอาจจะมไม่ได้สังเกตกับพูดคำจาเราเนี่ยถ้าเราเอาแค่เซนหรือแม้แค่เซนเองถ้าเป็นนักบวชเอาแค่เซนเอาตัวไม่รอดเล ย, ยพระพุทธเช้าอย่างเป็นศซนด่าวเินคอยเซนไม่ครบบริบูรณ์เนะี่แค่พื้นฐานยังไม่ได้แต่พูดยังไง แต่พื้นฐานเราได้มันไม่ได้ลึกไปกว่าสศีลลึกไปกว่านั้นอะไรยังทาไม่ได้ก็เป็นพระที่ดีไม่ได้เป็นนักบวชที่ดีไม่ได้เป็นโลกของปัญญาไม่ได้โลกตันนี้เป็นโูกที่ดีนะยังเป็นโลกที่ดีไม่ได้แต่ถ้าเราครบเมื่อไหร่สมบูรณ์เมื่อไหร่มีครบศีล ส, สมาธิปัญญาเติบทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเป็นแหล่งน้ําคือเข้าใจตั้งแต่เห็นน้ําั้แบบ พื้นผิวหุ่นแล้วก็เบิรนแล้วก็ขุดจะเจอแหล่งน้ําต้นน้ำแต่โค้ดเข้าไปอีกจนถึงลึกที่สุดของน้ำที่เจอน้ำที่มันแหล่งออกมาทเองโดยธรรมชาติอะไรแนี้เราไม่ต้องไปขุดอีกละมันก็จะไหลออกมาเองซึงมออกมาเองนั่นคือส่วนลึกของจิตใจของพวกเราเพราะนั้นจะรู้ว่าตัวที่ไปจริงๆคือใจนะร่างกายมันไม่ได้ไปด้วยนะ มื่หมดลมหายใจแล้วตัวนั้นตัวที่ไปข้างหน้าถ้าภูมิของเราอยู่แค่นี้อยอยู่กับธรรมดาธรรมดาทั่วไปเหมือนชาวบ้านชาวเบืานทั่วไปถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ถ้าไปดีไปกว่านี้มันไม่ได้ดีไป ก, นนกว่านี้หมายถึงว่าถ้าเรามีทุนมีร้อนที่จะต่อไปข้างหน้าถ้ายังไม่หมดด้วยคนเราก็จะได้แค่นี้อย่างนั้กลับมาเออมีฐานะดีมีหน้าตา ด, าดีถือพันตองไใจ ฐานะก็ดีกวาเพื่อนหน่อยสติปัญญาดีก็เพื่อนหน่อยแต่นั่นก็จะเรียกว่าเราทํามานะมันได้ปุดขึ้นมาเองนะคนที่มีความรู้ความสวัวสดสติปัญญาดีนั่นก็คือเราคุดต้นทุนเรามาดีบางคนก็เรียนแล้เ ร, เรียนอีกอ่านแล้วไม่จําอยู่สมองไม่ดีคิดไม่ดี น, นั่นก็ผลงานของสินสติปัญญาเป็นผลงานของสินสมาธิปัญญาก็ทําหน้าที่ที่เราออกผล มันเกิดเป็นเป็นมล็ดของต้ น, นไม้ราะอันนี้คือตัวอย่างเ ล, ล็กๆน้อยๆเพื่อให้พวกเรานำไปสู่การพิจารณาว่าโอ้ใจหรือว่าจิตของเราถ้าจะเอาแท้พื้นธรรมดานี้อเอาแค่ดูแค่นี้เป็นเป็ น, ปนห้วยน้องกล้องบึงน้ำธรรมชาติน้ำฝนน้ำตกจากผ้าธรรมดานี่เราก็เจอได้แค่นี้แหละชีวิตเราก็จะเหมือนกันทั่ ว, วไปธรรมดาดีแต่วันลึกไปกว่านี้ไม่ได้เพราะนั้น คนที่ปฏิบัติธรรมหรือวันนั่งสมาธิจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าขุดจิตใจของพวกเราให้เป็นเล็กจนถึงอย่างนั้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันแม้แต่สองคำแพดนดนกินดาของมีค่ามันไม่ได้อยู่บนดินเราไปดูแหล่งธรรมชาติไมะเป็นพม่าก็ดีมือจันก็ดึงหัวเขาจะเจียวพอยแต่และเม็ดแต่และอย่างแร่สาแรกเขาต้องขุด ขจนเลิเจะก็ไม่ได้มีทั่วไปอีกก็จะเจอคนจนเจอของมีค่าจิตใจของเราเหมือนกันก่อนที่จะเจอของดีของมีค่าเหมือนพพชรเมือนจินดาคือจิตที่ ม, ม, มีค่าจุดส่วนเล็กจิตสุดเราจะต้องขุดโดยสมาธิอันนี้คือจิตใจมันต้องล็กต้องละเอียดกว่านี้ มันถึงจะใช้ได้เหมือนกับน้ำมันก็เลยหน้านั่นเองนั้นเราจะปดเป็นววแต่เอเคเอาของที่มีอยู่นี่แหละถ้าอยากได้ก็ไปซื้อเอาถ้าไม่มีตังเราทาไงก็ซื้อไม่ได้แต่เรารู้นะรู้ว่าเพชรนินจินดาทองคํามีค่ามีรคาคาแต่มีปัญญาครอบครองเพราะว่ามีทรัพย์จิตของเราก็เหมือนกันถ้าใจเราของนี้ถือว่าห้ทำในของมีค่าเนี่ยเราเองที่ต้องขุดขุดทุกวัน วนหนึ่งเราจะขุดให้มันลึกที่สุดสช่ไจิจริงๆแล้วถ้าเราขุดเป็นมันแป๊เดียวแก้ความร้อลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันสงบแล้วเดียวไม่ได้ขุดนานเลยในทางปฏิบัตินะในทางทฤษฎีอาจจะเป็นยาวนานพอเถอะแต่ลทางปฏิบัติจริงๆถ้าใครทําได้นชินเรียกว่าชินภาษารองานเรียกว่าชินภาษาดาวเจริญว่าสีคือชํานาญคือ ช, นอ ช, นอชนา น, ชนาญในการเข้า ฉนั้นการเอาทงานในการนึกในการกาหนดกําหนดยังไงนึกยังไงเข้ายัางไงออกงไงจิตเราจะรวมตัวได้เร็วนะ่ะเป็นสมาธิได้เลยนะวไอ้เรื่การฝึกในเบื้องต้นถ้าเรามีหลักการอย่างนี้เราก็จะเชื่อว่าเราเป็นนักฝึกทั้งขันนักปฏิบัตินักคตที่ดีก็ขอให้เราทั้งหลายเอาสามอย่างเนี้ยเราไปเพียรเที่ยวอยู่ว่าตอนนี้ถ้าเราอาศัยแค่แหล่งน้ำเปลี่ยนผิวเพืนธรรมดาอันนี้มันทั่วไปนะแต่เป็นนี้ เราควจะได้ S <S okay, แค่นี้นะจิตของเรามันก็ไม่ได้เป็นอ e ีไปกว่านี้แต่ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ต้องขุดคือต้องฝืนต้องม่กล้าต้องขุดต้องเจาะลงไปมันต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะต้องอาศัยกิรยานามิติกิรยานามิติสาคัญถ้าเราขุดคนเดียวมันไม่เพียงพอต้ช่วยกันขดุดกิริยานามิติเป็นเรืงรร่งสำคัญกิริยาไม่คือไม่ดีจิตพร้อมที่จะแนะที่จะนํำพวกเราช่วยกันแก้ไขปรับปรงุงอะไรน่าง เพราะนั้นพวกเราอยูด้วยกันอาจจเป็นกิเลสอันนี้เห็นไหมไม่ใช่ญาตินี่คือที่ไม่ใชน้องมันยึสายเลือดแต่ว่า น, นานธรรมทำมาแล้วญาติทางเป็นต่างยามเป็นญาติที่ไม่หังผลประโยชน์คือมรอดกนี่คือเป็นญาติบริสุทธิ์เพราะนั้นควรจะหาญาติทางธรรมเรียกว่ากิรยา น, นี้กันมาเยอะๆต่เป็นเรื่องที่ดีจะเป็นกำลังใจซึ่งกันแนนนละกันจะแก้ไขปปุ่งวัฒนาซึ่กันและกัน แ ล, ลุงพก็เป็นกำลังใจเลยนะในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยของเราชักชวนชี้แจงสแสดงแล้วก็แนะแล้วก็นําให้พวกเราเราได้ดูตามทำแนะก็ดีแนะก่อนแล้วนําก่อนแล้วทำอย่างนี้นะเดินอย่างนี้นะนั่งอย่างนี้นะนอนอย่างนี้นะเราก็ไม่ทําตามได้แต่ดูแต่ครับค่ะเออดีมันก็ได้คะแนนนะเนะพราะนั้นต้องต้องลงมือด้วยว่เดินยังไงนั่งยังไงนอนอยังไง ยืนยังไงให้มีสติถ้ามีสติเมื่อไหร่ปัญญามันก็จะตามมาดันั้นทั้งหมดมุ่งไปทิ่สติปัญญาเมื่อสติปัญญาเกิดแล้วทุกอย่างมันก็เขาจัดก่อนที่เราไม่รู้ไม่เห็นที่เราไม่เข้าใจในชืิตมันจะมีคําตอบแล้วเราก็จะได้คําตอบอันนั้นอัะ น, นั้นเริ่มต้นจากในคำมะคือการดำเนโอดจากการที่ที่สุดแล้วมาถูกทางเลย เราไม่ต้องกินเป็นบริโภคกามใช้การอีกนะเป็นเิ่งพีดีที่สุดแล้วทางบกสนังก็เชิญชวนพวกเราทุกคนมีโอกาสมีเวลาตามโอกาสเวลาบางคนยังไม่มีโอกาสก็เอาเท่าที่ได้เท่าที่มีอยู่แต่ว่าให้มันมั่นคงสม่ําเสมอจริงจังนิ่ๆเราก็อไดประโยชน์ะเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่รู้แค่ว่าเออคนเรามีแค่เกิดแก่เจ็บ ต, ตายคุณข้ามันคืออะไรโทษของมันคืออะไรเราอาจะไม่รู้ เพาเราไม่รู้ว่าก่อนที่มันเกิดแก่เกจ็บตายมาอย่างไงตอนนี้เกิดแก่เกจ็บตายมันคือพบคือภาวะ น, นี่ะคือกรรมมาพบรูปมพบทำ ม, มาจากไหนชาติชาติอะไรที่เกิดเกิดมาก็เกิดจากพบพบก็คือกรรมมาพบรูปเ พ, พราะนั้นแหล่งที่มาของเราคือมาจากการรมมาพบรูปพบรูปพบที่มาอยู่ตรงกลางเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงกลางคือแปลว่าจะไปสูกงก็ได้จะไปต่ำก็ได้ ไปดีกว่านี้ก็ได้ไปเร็วคนนี้ก็ไดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่ทําอะไรเลยโอ้เป็นการเสียด้โอกาสเวลาที่มีอยู่เพราะว่าอีกหลายคนที่จะมาอยู่อย่างพบเราเนี่ยไม่ได้พราอย่างพวกเราเพราะที่มันทำได้คิดได้บําเพ็ญได้ได้เราถือว่าโชคดีมากๆากและที่สาคัญคืออยู่ในภูมิประเทศที่ดีได้เจอพ่ะแม่ครูบาอาจารย์ได้เจอผู้ศาสนา ดิสบุญที่เห็นและผลและความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่มันเป็นสนได้ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วแต่ว่าในความโชคดีนั้นถ้าเรายังดูแค่เพนเพลินอยู่เราจะไม่ขุดลงไปก็ได้แต่น้ำเราที่บ่าเห็นนี่แหละนั้นบอ่อแรกบอร่ 2, บอสองบ่อสามไม่เกิดเก็ออได้แค่นี้เป็นัารกรฝากพวกเราทุกคนว่าอย่าลืมขุดทุกวันบางทีเดินในวันหนึ่งเราจะเจอแหล่งน้ําที่บริสุทธิ์วันหนึ่งเราจะเจอแหล่งที่เป็นเพชรนินจินดาปล่อยอัญญามณี สิ่งมีค่าที่มันโชคซ่อนเย็นใจคือมีค่ามากที่สุดอันนั้นแหละที่จะเป็นประโยชน์แต่ว่าเอเจอของมีค่าแล้วเรวก็จะรับของมีค่าจิตใจของเราก็จะมีค่ามีคุณมีประโยชน์การเกิดกับมาของเราก็ไม่เสียเที่ยวแค่แค่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายหลังจากตายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่อึดอัดลำบากก็ฝากพวกเราทุกคนเป็นกําลังใจให้ที่เราถ้าเราทําได้อย่างนี้ แล้วก็จะมีความเจริญอยู่โลกก็เจริญอยู่ทางธารมก็เจริญหลวงพ่อก็จะพูดอยู่อย่นี้เสมอว่าเพราะเรายังมีโลกกับธรรมอยู่เราจะบอกเจริญแบบโลกอย่างเดียวไม่ได้แต่เจริญแบบทางธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะคู่กันอยู่อย่างใช้ด้วยกันอยู่วันหังก็พูดได้เป็นกลางกลาให้สมดุลกลางคืออยู่แบบโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมตอนเราทั้งหลายได้มีความเจริญทั้ง ทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเพิน